เคยมีนะโยมคนหนึ่งมีความทุกข์มากก็ถามเขาพามาหานะตอนนั้นอยู่เขาเขียวชนบุรีลงจากภูเขาแล้วก็มาหาหมอเป็นโรคภูมิแพ้แพ้หลายอย่างลื่นก็แพ้เวลาเชืองกิ่นนี่ก็ เป็นไข้ตัวร้อนผิวแดงขึ้นมาคือเวลากรรมาใด้ผลนะช่วงนั้นนะแพ้แพ้อากาศอ้วร่วงเวลามีอะไรมันผิดปกติเป็นไข้ผอนแท้มากร่างกายแต่ใจเนี่ยมีกำลังก็มาหาหมอเขาก็อยู่อยู่บนเขาเขียวเวลาจะไปหาหมอก็ ลงมาจากเขาก็มีโยมที่เขามีศรัทธาเขาก็ให้เหมารถเช่ารถสองแถวมารับจากเขาเขียวก็วิ่งเข้าไปในตัวจังหวัดชนบุรีไปหาหมอก่อนหมอเขาก็เปิดเย็นนะตั้ง6กโมงช่วงระหว่างนั้นก็มีเวลาเขาก็นิมนต์ไปพักบ้านโยม เนี้ยก็มีโยมคนเนี้ยเขามีความทุกข์เขามาก็าถามว่าทุกเรื่องอะไรอ่ะเขาบอกเป็นห่วงลูกชายมากแล้ลูกชายไปทําอะไรทําไมจึงเป็นห่วงลูกชายเป็นคนขับรถสิบล้อเวลถ้าหากว่าเย็นๆมาเขาไม่กลับบ้านไปนห่วงมากนอนไม่หลับเลยนะ่ะนั่งตั้งหน้าตั้งตาคอยลูกชาย ยิงเขากลับเด็กเดินไม่กลับมานร่งหลับไม่ลงเลยตามันแข็งจ้องมองประตูจ้องมองประตูลัวเ ม, มื่อเมื่อไหร่ลูกชายจะกลับมาแล้วใจก็ะปูแต่งด้วยนะกลัวเขาจะเป็นนั่นเป็นนี่กลัวถูกลดชนกลัวรดชนกันกลัวลดความหนึบดูสิจิตของคนเราเนี่ยสร้างความกลัวขึ้นมานะ สร้างความทุกข์ขึ้นมาตอนนั้นเราก็กาลังปฏิบัติอยู่นะภูมิจิตมันก็ยังไม่มีอะไรนะแต่ว่ามีจิตมันก็มีความสงบอะ่ะก็พอเห็นจิตของตัวเองพอที่จะรู้ว่าพอจิตไม่สงบนี้นะมันสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาได้เยอะแยะเลยมากมายเลยนะก็เลยบอกเขาโยมถ้าสมมุติว่า เขาทำกรรมมาดีถ้าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรยมก็ทุกข์ก็เรล่าใช่ไหมบอกใช่ถ้าหาวายมทำใจสบายสบา ย, บายจะดีกว่าไหมเขาก็นิ่งฟังนะแต่ถ้าอะไรมันจะเกิดนะถ้าลดเขาจะควา่าถ้าจะชนกันมีอุบัติเหตุย โยมทุกหรือโยมสบายใจก็ตามเรื่องราวันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเช่นไหมกชยัยถ้าเขากำมันไม่ได้ให้ผลนะเขาก็ต้องขับรถทำหน้าที่ของเขาจะไปคาดคเนว่าเขาต้องกลับมาอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้เพราะนั้นไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดเนี่ยมาทำใจให้มันดี ดีกว่านะพูดกันเองเขาก็เข้าใจตั้งใจฟังนะก็คือต้องการที่พึ่งญา่ิเราก็เพียงแค่พอมีเหตุผลพอได้เห็นจิตตัวเองก็คุยกันไปก็ระบายออกมีแต่เรื่อง ล, ลูกอย่างเดียวนะคือเป็นห่วงลูกรู้ความรู้สึกของแม่นะเป็นห่วงลูกแต่เขาไม่มีปัญญานะรักลูกแล้วเป็นห่วงลูก เลอวก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ารักลูกเป็นห่วงลูกแต่ถ้ามีปัญญาเนี่ยก็เออถ้ากรรมดีเขาให้ผลมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเขาทำกรรมมาไม่ดีถึงเขามันจะต้องตายกังวลไปกลัวไปไม่มีประโยชน์อะไรสู้ทำใจให้สบายๆดีกว่าเขาพูด คุยกันไปเราก็คิดไต่ตองไปนะเหตุอาศัยอาศัยเหตุผลเนี่ยพอเห็นคนอื่นมันเป็นทุกข์เห็นคนอื่นไม่เข้าใจชีวิตเนี่ยมันก็ยิ่งจะต้องมาศึกษาเรื่องจิตใจของตัวเองเพราะตอนนั้นเราก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่มันก็ไม่ได้ทุกมากมายเพราะเราละอะไรอะไรออกไปแล้วมันก็ทุกหลายละเอียดนั่นแหละ แมแต่อยากพ้นทุกข์ก็สร้างปัญหาให้กับตัวเองเพราะมันมีความอยากมากอยากได้มากอยากได้ผลอยากได้สภาวะธรรมอย่างนั้นอย่างนี้อมันกุ้มลุมไปหมดเลยนะแต่อาศัยว่าอยู่ในป่าแล้วมันก็ได้อาศัยความสงบทางจิตใจก็อยู่ในป่าคล้ายๆแบบนี้นะ าขารู้สึกตามจะใหญ่กว่านี้ลึกกว่านี้สับเยอะเพราะมันเป็นเขตรักษาพันสับป่าด้วยกุฏิก็อยู่ห่างๆกันย้ายไปกุฏนั้นย้ายไปกุฏนี้บางทีไปบางกุฏนะให้อบริเวณมันรอบๆกุฏิมันกว้างเดือนงายๆลงไปนั่งสมาธิในพื้นดินนะ เอาผาพลาสติกปูเดินจงกมแล้วก็นั่นอ ย, อยู่คนเดียวเงียบสงบไม่ได้มีใครเป็นเพื่อนแต่มันพอใจมากเลยนะก็มีพระอยู่ด้วยกันอยู่บางทีก็กองสององสามองบางทีก็อยู่องคเดียวบางทีหมูนะ่คณะก็มาจึงเข้ามาก็เจอกันเฉพาะเวลาที่เ ป, ปรับอาหาร ที่ก็มีโรงครัวเี่ยบางทีก็ลงมาบินธาบาัตข้างล่างมันเป็นสวนข้างล่างลงมาตั้งสี่กิโลนะแล้วก็เดินบินธบัตก็ไกลเคยมาบางทีมีพระหนุ่มๆขึ้นไปชอบเดินไกลๆมาเดินกับเขาโอ้โหไกลเพราะฉะนั้นเรื่องการรอคอยเนี่ยมันก็ทําให้ปูุงแต่งได้นะถ้าว่าเรารอคอยแล้วก็ ไปคิดเนี่ยคิดคำนวณขึ้นมาเ อ, อเขาจะไปไหนนะจะมาเมื่อไหร่นั้นเนี่ยไปตรงไหนมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยมันทําให้เสียเวลาของเรานี่ไม่ต้องไปรอคอยรอคอยโดยไม่ต้องรอคอยเขามาเมื่อไหร่เห็นเมื่อ น, นั้นใช้เลยทีนี้ไว้มาเมื่อไหร่ก็เห็นไว้มาแล้วยังไม่เห็น แต่ก่อนก็มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะอยู่องเดียวแรกๆกับพรรษาแรกต่อก็ไม่มีหมูมาอยู่ด้วยต่อมาก็เริ่มมีกุติอะไรไม่ชี้ก็มาอยู่ด้วยทีนี้ก็มีญาติโยมก็อยากมาปฏิบัติบางทีเราไปธุระกรุงเทพเขาก็บอกว่าเนี้ยถ้ามีโอกาสวันนั้นนะโอกาสเดือนนั้น จะไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกโอ้คอยนะตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าเขาจะมาเยี่ยมบางทีก็มาถึงแล้วกะพวกชาวบ้านเนี่ยเขามาพัฒนาวัดแต่ก่อนพัฒนาบ่อยๆนะเนี่ยคนนั้นเขาว่าจะมานะเนี่ยคุยให้เขาฟังตัวเองก็มันก็มีการรอคอยเหมือนกันนะเป็นรักษาคำพูดของเขาถึงพอถึงเวลาไม่มานะ่เงียบข ไอคนที่ว่าเออแล้วจะไปนะแล้วจะไปหลายคนนะเงียบคิดเลยเราก็โอ้รู้สึกว่าเสียความรู้สึกใ่ใจต่อมามีมีมีคนมามองแล้วจะไปเยี่ยมท่านพระ่าทูมไม่ฮาจิตมันเลยมันเลยเฉยดีนี่มันมันมันเรียนรู้นะมันมันมันรู้สึกว่าถูกหลอกมันต้องเข็ดหลามแล้วเขาหลอกให้เราเคิร์มนะ เม่เรามีความหวังเฮ้ยเดี๋ยวโฟต้องมาเยี่ยมเราเป็นเราก็อยู่คนไออยู่ไม่ที่ยวในป่าเนี่ยนะพอจะมีคนมาเยี่ยมเนี่ยรู้สึกพอใจนะตอนนั้นนะพ อ, ะอะคอยจะมีคนนั้นมาเยี่ยมคนนี้มาเยี่ยมมันยังไม่ค่อยมีใครมาไงพอจะมีคนมาเนี่ยรู้สึกว่ามันพอใจมันก็เลยรอค อ, อยแล้วก็ไม่มาคนนั้นก็ไม่มาคนนี้ก็ไม่มา หลายครั้งเข้าโอจิตมันก็เรียนรู้นะคราวนี้เวลาเขาบอกว่าเออเ แ, แล้วจะไปมัานภูมิอาเออไปเมื่อไรไปเห็นเมื่อ น, นั้นละ่ะ <c oughs> บอกตัวเองเลยไม่ต้องไปรอคอยมันละมากก็มาเมือมากก็ช่างเออที่มี่มันเฉยนะมันสบายขึ้นจากนั้นก็เลยเนี่ยเวลามีอะไรจะรอคอยเข้าสมาธิเลยดูจิตเลยมันว่ายอย่างไง ดีกว่าส่งจิตออกวปข้านอกนึกถึงนะเอาชื่อว่าผู้หญิงผู้ชายชายหนุ่มหญิงสาวเนี่ยเขานัดกันนีนะดูนาฬิการเรื่อเลยนะน้อยยังมงสอดสายคอยดูทางโน้นทาง น, งางนี้พอถึงเวลาปาั๊บเีเอ๊ะทำไมยังไม่มาเนี่ยหัวใจมันจดจ่อแล้วพอเลยไปหานาทีเอ๊ะตั้งหานาทีนะทำไมไม่มาเี่ก็ะเวนกระวายขึ้นมาแล้ว นีมาหรล่าทีนี้ถ้าหาว่าเราปฏิบัติทำเนี่ยถ้าเวลาไหนที่จิตเราขยับตัวเนี่ยโอได้เห็นอาการของจิตเนี่ยมันแหม่มันเบื่อบานนะมนไม่รู้เป็นยังไงนะจะมาเป็นยางไงนะถ้าจิตมันได้มีเรื่องมีขยับตัวปับ๊บเข้าไปดูจิตอย่างนี้เห็นในอาการของจิตเนี่ยจะสบายที่สุดเลยมันเหมือนกับมันก็อยู่กับจิตนะ่ะ จิตมันมันมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นท่านรู้แต่เราไปหลงสังขารที่มันอยู่กับจิตที่มันปรุงแต่งจิตน่ะที่มันคุ้มลงจิตมันไม่ไปเห็นตัวรู้ซึ่งมันรู้อยู่อ่ะเพราะว่ามันขาดกําลังขาดกําลังพลังของสติขาดกําลังของสัมปชัญญะขาดกําลังของสมาธิ มันก็ไม่เห็นจิตไม่เห็นตัวรู้ไม่เห็นธาตุรู้มันเห็นแต่สิ่งที่ปรุงแต่จิตก็คือสังขารนั่นเองไอ้วันี้เกิดดับางทีก็ไปหลงยึดสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเรานี่มันก็เลยเป็นทุกข์ถ้ารู้แล้วก็เห็นพวกนี้เห็นว่ามันเกิดดับบ่อยๆมันก็เบื่อหน่อยคลายวางองมันเองเหมือนว่าเราเนี่ยถูก มึงเขาบอกว่า เ, ออเขาจะมาเยี่ยมมาเยี่ยมเหมือนกับถูกหลอกเลนเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจหลอตอนนั้นความรู้สึกของเขามันก็เป็นอย่างนี้ขึ้นมาจริงจริงเห็นหน้าเราปั๊บ ก, ก็อยากมาเยี่ยมแต่พอเราจากไปยังอยู่ไม่สาคัญกว่าเี่ยความรู้สึกอยากมามันก็หมดไปแต่เรานี่มันมันไปจําสัญญาอันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องเป็นเราเป็นจริงเป็นจัง เดี๋ยวนี้เราคอยระวังคําพูดตัวเองนะถ้าไปตกลงอะไรกับใครแล้วเนี่ยอูไม่ได้เลยนะมันมันคอยจะรักษาคําพูดอง น, นั้นบางทีเขาเปลี่ยนไปตั้งนานแล้เขาไม่ได้มาสนใจอะไรอย่างเนี้ยมันก็วนเวีนอยู่กับไอ้คำสัญญาของตัวเองนะมันกลายเป็นเครื่องผูกมัดตัวเองแต่เวลาเวลาส่วมมีเหตุการณ์ที่เราทํา ตามที่พูดไม่ได้เนี่ยมันก็อดไม่ได้มันก็เฮ้ยยังไม่ได้บอกเขาเนี่ยมันเหมือนมาม ม, ม, ม, มีอะไรอยู่ในใจเพราะนั้น<ๆ>มันก็เลยคอยระวังคาพูดไม่จาเป็นก็ไม่พูดนี่คือจิตที่มันมันตามดูจิตของตัวเองมันคอยระวังตัวแม้แตทางคำพูดมันก็ออกมาในทางความคิดนั่นแหละ เป็นความรู้สึกบางเป็นความคิดบางแล้วออมาเป็นคำพูดมันก็ทำให้ใตรองใ่ตรอ ง, รองกันกลองเวลาจะพูดเวลาจะทำอะไรก็ผลจากการฝึกจิตนั่นแหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยยืนยนะเราไม่เคยเราไม่เคย เห็นทำอะไรเลยไม่เคยนึกนึกถึงอะไรเลยที่ถ้าไม่ฝึกแล้วไม่มีประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ใหญ่เหมือนกับฝึกจิตท่านคือเรื่องอื่นๆนะไม่มีอะไรเลยอง่ายที่จะมีความสําคัญเท่าการฝึกจิตคือจิตถ้าฝึกแล้วมันจะมีประโยชน์ใหญ่ มีประโยชน์มากมายมหาศาลประโยชน์ใหญ่นี่หมายถึงประโยชน์ที่จะไปถึงนิพพานดับทุกข์ของพระพุทธเจ้านี่ไม่ว่าจะพูดเนี่ยไหนมุมไหนนะต้องไปถึงความพ้นทุกข์ทางนั้นเลยนะก็คนที่จิต บ, บริสุทธิ์แล้วตัสรูและทําให้จิตใจบริสุทธิ์แล้วมันก็ต้องเห็นคุณค่าของความไม่มีทุกข์ภายในจิตใจเพราะนั้นงานการที่จะทําก็ ก็คืออยากให้คนได้ไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันเนี้ยไปถึงแล้วมันมีทุกนะไม่มีทุกนะกนะเอานะเอานะานะย้ำยทํานยังบอกว่าถ้าว่าจิตจิตเนี่ยถ้าฝึกแนละ้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ใหญ่แต่ถ้าไม่ได้ฝึกแล้วเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ใหญ่ท่านก็ย้ำอยู่เลยให้ฉลาดไม่าละจิตของตนไม่ไปฉลาดในเรื่องจิตของคนอื่น ส่วนใหญ่คนเราเนี่มันเสียเวลากับความรู้สึกของคนอื่นมากเลยกลัวเขาจะรู้สึกอย่างนั้นกลัวเขารู้สึกอย่างนี้กลัวเขาคิดตรงนั้นคิดตรงนี้กลัวเขาอย่างนั้นอย่างนี้กลัวเขาพูดอันนั้นอันนี้เมื่อมันมันไปมันออกไปหาแต่แต่คนอื่นน่ะแต่พระพุทธเจ้าบอกให้มาฉลาดในวารจิตของตนแล้วท่านก็อธิบายต่อไปว่าให้ให้ฉลาด ว่าเออจิตของเราเนี่ยมีอภิชามากอยู่หรือหนอหรือว่ามีอภิชาน้อยแค่รือมันไม่มีอภิชาก็คือความอยากอยากไ้นั่นได้นี่อยากเอาอันนั้นอันนี้อันเนี้ยเหนือความโลภ ก, ก็ได้เพ่งเล็งของอยากเราเห็นเขาได้ เอาจะเอาเมียเนี่ยเอาเรียกอภิชาให้ฉลาดในจิตของตนเองให้รู้ถ้าว่าจิตมีอภิชามากก็ให้รู้ว่าจิตของเรามีอภิชามากถ้าจิตของเราไม่มีอภิชาให้รู้มีอภิชาทลไถ้าจิตนีมีพยาบามมากก็ให้รู้ มีจิตมีพยาบาทน้อยก็ให้รู้จิตมีความโกรธมากก็รู้จิตไม่มีความโกรธก็ให้รู้เนี่ยคือเข้ามารู้กุญเเยออันนี้เป็นยกตัวอย่างละก็คืออะไรเกิดขึ้นในจิตก็ให้รู้นะ่จิตมีความฟุ้งซ่านมากหรือไม่มีความฟุ้งซ่านเน่เข้ามารู้จิตทั้งนั้นนะมันปรุงแต่งไปนู่นไปนี่ไหมหรือว่ามันดับไปแล้วหรือมันไม่มีหรือมีน้อย หรือมีมากให้เห็นมันหเห็นอาการในจิตของเราจิตของเรามีอาการซึมก็ให้รู้มันซึมมันไม่ตื่นจิตของเรามีความเศร้าหมองมากหรือเศร้าหมองน้อยหรือไม่มีก็คือมีจิตนั่นแหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบให้ดูที่ก็มีกายบ้าง ร่างกายของเรามีความปรารถนามากอยู่หรือหนอหรือว่าความปรารถนาแรงกล้าไม่มีร่างกายมีความปรารถนาแรงกล้าอยู่หรือหนอหรือว่าไม่มีความปรารถนาแรงกล้าอาการทั้งร่างกายก็มีมันมีคนต่อจิตก็ให้เหตุไม่รู้จิตเราข้ามพ้นความสงสัยหรือว่ายังไม่ข้ามพ้นความสงสัย ก็คือพวกนิวรนนั่นแหละพูดไปพูดมาสิ่งที่จะมา ก, กั้นขวางไม่ให้จิตเราเป็นสมาธิจิตของเราตั้งมั่นอยู่หรือหนอหรือว่าจิตของเราไม่ตั้งมัน่นนี่นี่เราเห็นหมดไหมนะไม่ว่าสภาพจิตเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงถ้าว่าจิตมันเออมันมันโผล่ไปทางน้นโผล่ไปทางนี้เราก็ต้องหาวิธีให้จิตมันอยู่นี่ นีจะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมมันแล้วแต่สภาวะที่มันเกิดขึ้นถ้าเราดูจิตอย่างนี้มันก็จะเห็นเนี่ยบางทีมันก็เปรียบเทียบนะนึกถึงคนนั้นคนนี้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เออเราเนี่ยมันก็ใจมันก็ไม่สบายขึ้นมันก็มีนี่คือจิตมันมันมันมันออกไปมันเรวอะเร็วอะการของจิตเนี่ย จริงแล้วให้เป็นยังไงก็เป็นส่วนของเขาไปเราต้องมาฉลาดในวาระจิตของเราอย่างควบคุมมันไม่ได้ก็ให้เห็นมันไม่ใช่ไปห้ามนะเห็นรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้รู้ว่ามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวมันดับมันไม่อยู่ตลอดไปหรอกทําอะไรก็ช่างแต่มันเกิดขึ้นถ้าจิตเรามีกําลังแล้วจะต้องเห็นมันดับเกิดแล้วต้องดับแต่ถ้าจิตเยังไม่มีกาลังมันมันไม่เห็น เพราะกำลังมันไม่พอความจริงมันก็มีอยู่รอเวลาให้จิตของเราพัฒนาขึ้นจนกระทั่งมันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าไปเห็นความจริงทีนี้การปฏิบัติของเราอ่ะมันยังน้อยอยู่ถึงเรื่องเอียดหรือว่า อ, อินทรีย์มันอ่อนจะให้ไปเห็นธรรมของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ เพราะเหตุมันยังไม่เพียงพอที่จะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นหน้าที่เราก็ต้องปฏิบัติต่อไปมีเมือวนเดินทางให้ถูกต้องตรงทางแล้วจุดหมายปลายทางก็ต้องรออยู่ข้างหน้าแน่ๆมีพระพุทธเจ้าก็น้นเรื่จิตเพราะตัสรูปกพรตัศรู้ที่จิตทุกข์ก็เกิดอยู่ที่จิตเนี่ยอาการของทุกข์เนี่ยมันก็คือมันมีน้ำหนักอยู่ในจิต มันบีคันมันทําให้เกิดความทรมานหรือมันเสียดแทงใจบีคันเกิดความเจ็บปวดในใจมันมีอะไรชิมแทงอยู่ที่ใจที่ผู้เลี้ยงทุกข์ป่อยๆเพราะว่าคำสอนของผู้ได้แก้วเป็นคําสอนเพื่อที่จะดับทุกข์ผู้เจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ก็คือเห็นทุกข์นี้คือทุกข์ กำหนดรู้แล้วทุกก็ดับทุกดับก็เป็นนิโรธแล้วเหตุพวกมันก็รู้วมันมันมันเป็นเพราะความอยากหรือเป็นเพราะความหลงความมีตัวตนหรือเป็นเพราะอุปาทานทําให้เกิดอวิชชาเกิดปัญหาพอรู้ทุกเห็นทุกมือก็ทวนเข้ามารู้เหตุเห็นทุกทุกดับลงไปเป็นนิโรธ ส่วนทางนั้นเนี่ยมันต้องเป็นอริยมรรคใทางสายกลางก็ได้ในเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วทีนี้เหลืออะไรอ่ะก็เหลือความเพียรี่เหลือการปฏิบัติเหมือนคนเดินทางเดินทางแต่มันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องอยู่ข้างหน้าเพราะมันยังไม่ถึงทางก็ถูกแล้วตรงทางแล้ว แล้วมันเหลืออะไรก็เหลือแต่การเดินทางคือเหลือเชี่ยดตัวการปฏิบัติก็เหลือการปฏิบัติการเจริญสติเหลก็พัฒนาตัวสติสัมปชัญญะให้มันตื่นให้ใจตั้งมั่นให้ได้นะเพราะว่าการที่จิตมันจะรู้ความจริงใจต้องตั้งมัน่นทีนี้ใจตั้งมันม่นมันก็ไม่ใช่ว่ามันอยู่ในอำนาจของเรานะ เวลมันจะเกิดมันก็เกิดเองเหมือนกันนะบางทีกว่าจะตั้งมันได้ก็ต้องใช้ความเพียรมากบางคนก็แล้วแต่ตุปัจจัยบางทไม่ไม่ใช้ความเพียรมากใช้ความเพียรพอสมควรบางบางคนก็ปฏิบัติรู้เร็วอย่างที่ว่านั้นก็คือเหตุปัจจัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพวันที่พระเจ้าตัสลูสวยมุติสุข ต่อมาก็ได้รับอาราธนาให้แสดงธรรมตรวจสอบดูแล้วก็มีคนมีปัญญาลองรับทำได้รู้รัวาบางคนมีมีปัญญามากบางคนมีปัญญาน้อ ย, เ, ยเหตุปัจจัยมันต่างกันนะเราคนอินทรีย์เก๋าบางคนอินสียอ่อนอินสรีย์เก๋กาก็บรรลุเร็วอินทรีย์อ่อนก็บรรลุช้า บางคนอาการดีบางคนอาการเลวนะอาการดีมคือไม่ค่อยมีอะไรรบ ก, กวนอาการเลวหมายว่ามันมีเรื่องรบ ก, กวนจุกจิกเยอะบางคนก็เห็นภายในปลโลกบางคนก็ยังไม่เห็นภายในปลโลกพระเจ้าบางคนก็รู้เร็วบางคนก็รู้ชา้าบางคนโอ้ยเพียนปฏิบัตินะอดทนแต่ สักระยาหนึ่งก็โฟมจิตน่ทีกที่มันต่างกันเหตุปัจจัยมันต่างกันเคยมีพระองค์เราไห้ฟังท่านเป็นธรราจแค่กาพะท่องพุโทโธไม่กี่คำเท่านาั้นจิตมันเข้าอยู่ข้างในแล้วปฏิบัติเองด้วยพอเรียนจบก็ออกมวนเลยมุ่งปฏิบัติไปเลย แต่สรุปแล้วก็ต้องมีความเพียรเหมือนการเดินทางต้องเดินไม่หยุดแล้วก็มั่นใจว่าตรงทางด้วยส่วนเหตุปัจจัยเรามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเหตุปัจจัยส่งเรามาพบธรรมะของพระพุทธเจ้าพบทางเดินของพระพุทธเจ้าแล้วอยู่ที่ความเพียรแล้วพระพุทธเจ้าก็ เคยย้ำกับสาวกของพระองค์นะว่าไอ้ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยคนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยทอยางไรพระเจ้าบัวอันดับแรกเลยต้องหาครูบาอาจารย์ที่สามารถเป็นอาจารย์ของตัวเองได้แล้วไปอยู่กับท่านถ้าสมัยพ่อพระพุทธเจ้าหมายถึงพระ อ, องค์เลยนะกัลยาณมิตร ถ้าสมัยนี้ก็ต้องมีคุณสมบัติหรือมีคุณธรรมใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าลแล้วแล้วถ้าเรามีเคร่องวัดอันหนึ่งเวลาไปอยู่ด้วยเนี่ยมันจะมีความละอายต่อบาตอย่างแรงกล้ามีจิตใจอยากให้ทําความเพียรแต่วันนี้มีคุณสมบัติที่ดีเกิดขึ้นเมื่อไปอยู่กับท่านแล้วอันนี้มา ย, ยุรานนะที่ท่านพูดเนี่ย การทำหมายถึงญาติโยมก็คงจะเออไปวัดเนี่ยไปฟังธรรมของครูอาจารย์ไปอยู่ไปศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเมื่อไปอยู่แล้วท่านว่าให้ฟังธรรมขอฟังธรรมแล้วก็สักถามให้เกิดความเข้าใจเมือ่อไปถึงแล้วก็จะไปว่า เ, ออเรารู้แล้วปฏิบัติถ้าว่ารู้แล้วจริงก็ปฏิบัติไปได้ เพราะความสำคัญก็คือให้สามารถปฏิบัติด้วยตัวเองได้แต่ถ้าเราสงสัยก็ถามเพราะเรามาศึกษานี่ยักถามเลยให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วท่านบอกให้หลีกเล้นไม่คุ้คลีทางกายแล้วก็ทางจิตด้วยบางทีปีตัวออกไปจิตก็ยังไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาอยู่ยัเราต้องอบรมจิต อย่างเช่นมาอยู่วัดอย่างเนี้ยโอ้ตอนนี้เรามาอยู่วัดแล้วไม่เอาแล้วเรื่องข้างนอกไม่เอาอย่างตอว น, นี้เรามาอยู่ป่าแล้วอยู่เขาแล้วอยู่ภูไม่หาวแล้วไอสิ่งที่มันเกิดอยู่ที่ทํางานอยู่ที่บ้านที่เลื่อนอยู่ในเหตุการณ์ต่า ง, งๆไม่เอาไอจิตนี่มันต้องย้าด้วยนะต้องสอนด้วยต้องอบรมด้วยปล่อยไปเรื่อยๆบางทีมันก็ปุ้งเขามันไปอ่ะเขามันเป็นจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ตรงนี้คิดปรุงแต่งไป แต่ถ้าเราเตือนเราย้ำนี่ ม, มาเราเราเพิ่มสักย์กำลังของสติสัมปชัญญะเจอะเข้ามาย้ำกับจิตเราจิตเราก็ตื่นขึ้นมันับรู้เออหน้าที่ของเราคืออย่างนี้นะตอนนี้มาอยู่วะแล้วจริงให้เรื่องเราข้างนอกไม่ต้องให้มันตามมาให้อยู่ข้างหลังพอมันตามมาก็ไม่มีประโยชน์อะไร เราทำอะไรมันไม่ได้แต่ถ้ามันจะคิดจริงๆก็ต้องคิดอย่างมีสตินะไม่ใช่มีคิดเลยนะเอาอดีตมาคิดให้เป็นปัจจุบันได้เลยอยู่ในอานาจของสติเลยถ้ามันมีความอยากเราก็ต้องสอนด้วยมีกครอยากสงบอยา ก, ยากได้อยากรู้อยากเห็นไม่เอาแล้วแต่สภาวธทําอย่างนี้เลยนะ ถาอย่าี้ปฏิบัติสบายใช่ไหมในฝืดีดีกออกมาแล้วดีกออกทางกายทางใจมันให้จิตใจเนี่ยมันไปคลุกคลีกัอารมณ์หรลอเาอยู่คนเดียวมันมีโอกาสได้เห็นจิตตัวเองดีมากศึกษาเรื่องของตัวเองแล้วท้านก็บอกให้รักษาศีลอยู่ศมันต้องมีต้องปฏิบัติศีลเพื่อต้องเข้าใจให้ถูกต้อง วสิทธ์ต้องเข้าไปอยู่ในใจจิตใจที่มีสติควบคุมดูแลจนอยู่ในสภาพปกติเวลามันเกิดมีเจตนาที่จะไปทาทุจริตทางกลทางมาจาเนี่ยเราก็ยับยั้งได้อยู่มกระทั่งทางใจยับยั้งได้จิตทุกดำลงความเป็นปกติเอาไว้ เนีศีลอย่างนี้ว่าศีลใจเป็นศีลจริงๆริงศอยู่ในใจรวมทั้งความประพฤติทธธันวันแล้วก็าอาจารย์โคจรความประพฤติของเราอันไหนที่มันให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิไม่อาหรืันเป็นไปเเพื่อความสมงบ เป็นสมาธิเพื่อใจตั้งมัน่นนให้มีปัญญาโคจรละก็หมายถึงจิตเราเนี่ยระมัดระวังไม่ให้ไปเกี่ยวข้องในทางที่มันจะทำให้จิตเราเนี่ยสูญเสียความมีสติสูญเสียความมีสมาธิืูอมีสินแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติไปด้วยแล้วก็ ต้องเป็นผู้หูสูงต้องเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากเข้าใจใส่ศึกษาทำให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นทำให้การปฏิบัติได้สะดวกจากนั้นก็เพียรให้สติสัมปชัญญะมันมีกำลังก็คือตามดูอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกายเราภายในจิตเราไม่มีการไปห้ามนะตามดู แต่จิตมีกำลังมันเข้าใจเลยนะพูดอย่างนี้เข้าใจได้ขนาดไหนเอาขนาดนั้น ม, มีความพอใจอยู่งั้นพอไม่ได้ใจเราก็ อ, อสงสัยวาสนาบา ร, รมีเรามันน้อยอย่างนี้ไปบรรจุตัวเองเรื่องกิเลตมันพาเป็นมันไม่ใช่เป็นเพราะความเพียรเรามันอ่อนอินรียาเราก็เลยอ่อนอยู่ด้วยเราปฏิบัติไม่ค่อยต่อเนื่องก็คือเหมือนคนเดินทาง ยังเดินทางไม่มากพอมันก็เลยไม่ถึงจุนหมายปลายทางไม่ตั้งอกตั้งใจเพียนที่จะเดินแวะซ้ายแวะขวาเนี่ยเพราะว่าทำให้อินทรีย์มันอ่อนท่าท่านเน้นเจริญสติสัมปชัญญะอุตสาหพยายามเข้าคาินเพื่ะให้สติสัมปชัญญะมันมีกําลังจิตตื่นตัวขึ้นมาต่อไปก็ใจตั้งมัน ตั้งมันแล้วก็จะเห็ น, นที่นี้เห็นม่จิตอะไรเกิดเพิเกิเห็นไม่ว่าจะเกิดทางกายความเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงให้เห็นบางทีก็กายนี่ละบางทีก็วิทนานางบางทีก็จิตแต่พอมันเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยมันจะไม่ไม่แยกแยะว่าเป็นอะไรมันมีแต่สภาวะที่ว่ามีได้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นันบ นิงก็ดับไปชัดแจ้งจากนั้นก็กลับมาเป็นอย่างเดิมอีนะแต่จิตเปลี่ยนไปต้องมปฏิบัติต่ออีกอเพราะนั้นต่างว่าปฏิบัติแล้วบรรลุทำเบื้องต้นเป็นประสบการันบุคคลถึงมันเกิดดับบางทีได้จังววาอริยมรรคยังแปะประหารชีิได้ได ไอ้ดูความเห็นผิดมันจะตับไปนะความหลงว่ากายกับใจเป็นเราเป็นของเราเนี่ยสักกยะทิธีทิทีู่ความเห็นรักความเห็นได้นะมะโสดามันความเห็นผิดว่ากายะก็คือเนี่ยกายใจเราเนี่ยขันห้าเราเนี่ยเราเห็นมันเป็นเราเป็นของเราเขาจึงเรียกว่าสักกายะความเห็นว่ากายใจขันห้าเป็นเราเป็นของเรา คือสกะะิรยที่ทีนี้ไปเห็นมันเกิดดับเกิดดับเห็นด้วยจิตพร้อมกับสภาวะที่มันเหมือนมันมารองรับอะ่ะให้ปัญญายาณเนี่ยมันเข้าไปในจิตสว่างขึ้นในจิตมั น, ม, นมันเหมือนกับมันประหารความหลงผิดตัวนี้ไปชัวแวบเดียวเท่านั้นแหละจิตจะเปลี่ยนทันทีเลย ในละสักกายติทิที่ก็จะเปลี่ยนที่เคยหลงว่าเป็นตัวตนมากุมากมันก็ลดลงไปมันเบาลงไปทีนี้ความลังเลสงสัยในการปฏิบัติขอเัวเไม่มีรู้ว่าออต่อไปเราต้องปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้ถึงไม่มีใครสอนก่อ พอประคองจิตประบัติไปได้ก็จะไม่ถอยครับยังไงอยู่ในสภาพไหนก็จะพยายามปฏิบัติพอเข้าไปอยู่ในจิตนั้วเนี่ยถึงจะละวิจิกิชชาได้มันคงในคุณพระบุญธรรมประสงค์ชนิดไม่หวั่นไหวไม่สั่นคลอนเลยละสีและวตะปรามาณได้คือไม่ลูกคำ ไม่ข้อครับอดปฏิบัติหรือศีลไม่ไปติดในวิธีรีตองไม่ไปงมงายหวังอย่างอื่นมาช่วยแล้วไม่นคนทุกข์ไม่มีทำอะไรก็ทำมีเหตุผลมากขึ้นกว่าเดิมเยอะทำด้วยปัญญาพอมันลาออกไปยลนะ้วถ้าท่านปฏิบัติไปอีกบรรลุอริยมรรคที่สองเนี่ยป่านกิเลสได้ แต่ว่าล ะ, ละสังโยชน์สามข้อเหมือนพระโสดาบันแต่ว่ารูปภทตตสัมมาเบาบางเนี่ยเบาไปปฏิบัติไปองละสังโยชน์เพิ่มอีกสองข้อการมราคาปฏิฆาคือหวังที่จะให้รูปรถกิเลสรำสันเนั่มาทำให้ตัวเองมีความสุขจนจนไม่มีทุกข์อ่ะไม่เอาแล้ว มันเป็นหลงในรูปรถกินเชียงสมัมผัสท้องพ่อมีชีวิตอยู่ได้เพอหลวงพ่อนาะคามี่อได้ดึงเห็นร่างกายว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เรามาอาศัยอยู่เท่านั้นเองเวทนาชนิดที่เกิดกับร่างกายไม่มีผลต่อจิตท่านจึงเดีย ว, ว่าปล่อยวางกายได้สนิทเลยนะกายส่วนใหญ่ให้ปฏิฆาก็คือมันถ้ามันต้องการเอามาต้องการรูปรถกินเชียงสมัมผัสไม่ได้มันก็เป็นปฏิฆาขึ้นมา มันก็เลยรับไปด้วยกันได้เพราะว่าอาณาคามีเนี่ยจิตละเอียดละ่ะตามดูจิตตลอดเลยนะอยู่ในสภาพไหนมันก็จะตามดูจิตคุบลมจิตซ้อนจิตเวลามีทุกข์มาก็แก้แก้ทุกข์ในจิตได้มากขึ้นเรื่อยๆทุกข์ก็น้อยลงไปทุกข์ยากคลายออกไปหมดแล้ว เหลทุกที่ละเอียดเป็นตัวตนที่ละเอียดบางทีปฏิบัติไปทำดูจิตไปในนิ่มเป็นอัตโนมัตินี่ทำดูจิตไปกายวางไปแล้วใจก็ตามดูจิตจ น, นอริยมรรคสมบูรณ์นี่พระราชามีก็ยังเหลือสังโยติห้าอย่างรูปราคารูปราคา มาณอุทจจ์แล้วก็เอาวิชาอันนี้ไม่พูดรายละเอียดหลอกพอมันดับไปเท่านั้นก็ชาสิ้นแล้วเมื่มอะไรปรุงแต่งจิตมันก็รู้มันไม่การเกิดในจิตเลยมันอยู่ว่าเมันจิตไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแต่ก็มีอยู่เห็นมันเป็นธรรมชาติด้านหนงพออาจารย์กระจบการงานจบ พยายาอีกเพื่อให้เป็นให้มันหลุดพ้นไม่ต้องนะอเนี้ยอช่เฉยจิตมีเหมือนไม่มีเพราะนั่องถึงรู้ว่าโอ้จิตเนี่ยถ้าเราไม่ยึดจิตนะบางทีก็ทำเหมือนกับว่าไม่มีจิตเนี่ยก็เป็นอีบแบบหนึ่งนะบางทีมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแทนที่เราจะไปดูตามดูไอยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะดูจิตเลย โอ้ยจิตเราไม่มีมจิตนี้ก็เป็นธรรมชาติวางกันไปเลยทีนี้รับสั้นเลยนะตรงเข้าไปหาจิตเลยบางทีมีอะไรเข้ามาครอบงําเนี่ยจิตยินชอบเพราะว่ามันมันเข้าไปถึงจุตสูงสุดของมันเองมันเป็นละที่จิตตรงนั้นถ้าไม่มีเหตุบางทีมันจะไปพยายามลิ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปมันก็ บางทีมันก็ไม่ไปแต่ถ้ามีเหตุปั๊บนี่มันไปของมันเองอู้สบายที่สุดเลยเพราะเรไม่กลัวว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะมันมันมันมุ่งไปแก้ที่จิตเลยเพราะเวลาคนคนคนมีความทุกข์บางทีมันมีอะไรวุบนว้าเข้ามาในกายเนี่ยและจิตก็กังเนี่ยนั่น่ะมันมันไม่เข้าใจ รู้ว่าเข้ามารู้ที่ให้ได้มันรู้เป็นเรื่องร่างกายเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนี่ให้รู้แบบนี้แต่บางทีมันรุนแรงนะไอเวทนาที่รู้ว่าเข้ามาเป็นเรื่องร่างกายจริงแต่ว่ามันรุนแรงมันไม่เห็นจิตนะแต่จิตต้องรู้อยู่มันมีผู้รู้อยู่เราก็มาอยู่กับผู้รู้แต่ถ้ารัสั้นก็คือว่าผู้รู้นี่ก็มีไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา โอ้ยอ่านี้รดส้นเลยนะแต่มันต้องอาศัยคนที่เพียรติดต่อแล้วก็สภาวะจิตมันถึงถึงเวลามันจะทําได้ถ้าไม่ถึงเวลาก็ทําไม่ได้มันก็เอาอย่างคนมาปฏิบัติดีแล้วจิตของเราเป็นยังไงมันก็ต้องเอาพอดีแบบนั้นอ๋อมันยังไปยังมาอยู่เนี่ยพอใช้สติดึงไปดึงมาก่อนเนี่ยเออมันอยู่แล้วมือนนิ่งแล้วก็ตามอารมณ์ลงไปมันก็ลึกซึ้งอยู่ภายใน แต่ยังไม่ค่อยรู้อะไรเนียเป็นสมาธาิไปก่อนเนี่ยเป็นสมาธิสากลคือสมาธิทั่วไปก่อนผู้เจ้าจะอุบัติขึ้นมันก็มีแล้วสมาธิประเภทนี้บางทีเขาไปสมุนเรียวอือปทมชาญตุติยชาญตติยาชาญจจตุลชาญเขาแยกตามมีหละอาการของจิตนั่นแหละปจิตมันยังยังมีอะไรปุ้งแต่งอยู่ตามดู ไอไอความรู้สึกนึกคิดของตัวเองอยู่อ่ะเนี่ยมันก็เป็นนิตกวิจาเทีนะถ้าวุ่นวิบปไปมันเฉยนิ่งอยู่ภายในแต่ยังมีปีติสุเวกขตาเนียมก็เป็นทุติยชาติปีติมัน ม, มีร่างกายเขามัเกี่ยวข้องมันยังยาบถึวลัแล้ปีติได้มันก็มีที่ความสุขสุขละเอียดเข้าไป มีตติยฌานแะล้แต่ต้องมีอาณลมเป็นหนึ่งด้วยนะเนี่ยเนี่ยตัววัดเครือวัดว่าเป็นสมาธินี่คือเอกกัตตาลูญออาณลมเป็นหนึ่งดูเข้าไปอีกเห็มันมันรับความสุขได้มันก็เป็นเจตุตฌานเอาบางคนก็ไม่สังเกตไม่รู้หรอกเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของปริยัติที่เอามาเปรียบเทียบสภาวะของจิตแต่เวลาปฏิบัติจริงๆริงเลยมีสติให้รู้ จิตมีู่สภาพไหนก็ให้รู้เนี่ยมันมันก็มาอยู่แค่นี้แต่ น, นี้พูดพูดอธิบายออกไปเผื่อบางคนก็มาเปรียบเทียบว่าเออจิตเราอยู่อย่างไรอยู่แบบไหนเนี่ยมันก็รู้มากขึ้นเข้าใจอาการของจิตมากขึ้นลองไปเพ่งอากาศเพ่งวิญญาณเพ่งความไม่มีเพ่งมี ก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ก็ ไ, ป, ไปูอปรูปฌานไปอันนี้ท่านว่าบางคนก็มาถึงตรงนี้แล้วก็พอใจที่จะมาฝึกให้มีอภิญญาฝึกรักษาโลกฝึกพลังอะไรต่ออะไรอย่างนี้ก็มีมาก่อนที่พระเจ้าจะอุบัติขึ้นเหมือนกันพระเจ้าไปศึกษาหมดแต่นี้พระเจ้าตามดูธให้จิต สัมปชัญญะมันตื่นตัวขึ้นมาแล้วมันใจตั้งมั่นนี่ยท่านต้องการตรงนี้เอาใจตั้งมั่นทันทีนี้มันอะไรเกิดก็มันเห็นด้วยจิตเคยนั่งเรามีเวทนานะตอนแรกก็ได้สู้ก่อนต้องการให้จิตมีกําลังโอ้ยเวทนาเนี่ยแหมมันมันนี่ท้าทายาจริงๆเลยนะมันต้องได้สอนจิตตัวเอง เวทนามันรู้อยู่ที่ร่างกายไม่ใช่จิตนี่ตอนแรกมันก็ดูก่อนพอจิตเนี่ยยังยังปล่อยวางมันไม่ได้ดูไปดูไปทีนี้พอสติมีกำลังสมาธิมีกำลังความเพียรมีกำลังก็ปรับเข้ามาหาจิตเลยนะนี่ที่ว่ามันมันก็ปล่อยวางเวทน า, าบางทีก็ว่าแยกจิตออกจากเวทนา จริงๆมันไปถึงจุดที่มันกำลังของจิตเราพอมันมันแทนที่มันจะไปดูเวทนามันกลับมาดูจิตเบาเลยนะที่ดูเวทนาเกิดความเข้าใจเนี่ยเวทนามันไม่ใช่ของเราตามดูจิตจิตมีอะไรเกิดขึ้นก็เห็นเห็นมันเกิดเห็นมันดับไปเรื่อยๆกลายเป็นปัญญาพอบูญคันแรงขึ้นไปคุกอิน อบรมกันใหม่เนี่ย น, นี่เพิ่มทําให้ธรรมะเข้ามาหายใจนะตรงไหนวิทนาขันคล้องหิวทนาไม่ใช่หรบางทีมันก็เหลือแต่คำไหนวิจิตเรามันพอใจนะนี่เนี้ยศึกวิทยาเรามันนะไม่ใช่เราอยู่ที่ร่างกายบางทีจิตก็ปุงขึ้นมาก็มีนะนี่โทรก่อนดีไหมเราก็ตามดูจิต ขยับดีไหมเอาสักนิดหนึ่งไหมเราไรูทันมันก็คือดับในจีตอีกมีพวกตัณหาดังนั้นนั่นเนี่ยภาวหาวิาวาตหานเนี้ยเนี้ยเห็นชัดจะ ม, มาในเรื่องความคิดนั่นแหละอยากเลิกไม่อยากเก็บไม่อยากปวดอยากเอาสบายเนี่ยอันเดียวกันเลยแต่มันมาในเรื่งความคิดอยากดีไเอานิดหนึ่งไหมเดี๋ยวที่จะมากไปหรือเปล่า อนนี้สุขภาพเรามันจะเสียหรือเปล่าเนี่ยบางจะสงสัยถูกหรือเปล่านะทรมานตัวหรือเปล่าตัวทันหมดเลยนะตอนนี้เรากําลังเอาประโยชน์จากเวทนาเอาให้มันหายสงสัยให้ได้ประโยชน์จากเวทนาให้เต็มที่เนี่ยมันก็เอาเลยดิ่เอาว่ามันเคยปล่อยได้โอ้ท้าทายนะเวลาเวลามันเจ็บมาในแหม มาเลยมาเลยเพื่อนอไอย่างนั้นเนี่ยพอดูไปดูไปถึงจุดมันปั๊บมันวางคายออกยิ่งทุกข์มากยิ่งสุขมากโดยระวังเวลามันวางเวทนาแล้วเวทนามันกล้ามันไปคุอกอีกโอ้เจ็บปวดทรมานที่สุดเลยตอนที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยถึงรู้โอ้โหมันเคยสบายแล้วโวมันไปเห็นทุกข์พอไปเจอทุกข์นี่แม่มันทุกข์สุดๆเลย นี่แหลคนที่เคยมีแต่วความสบายไม่ค่อยเจอทุกข์เนี่ยพอเจอทุกข์นี่นี่หน่อยหน่อยมันทุกข์มากนะอยู่ขั้นใจมากเลยถ้าคนไหนเคยลำบากทุกข์ทรมานบ่อยๆเจอเป็นเรื่องธรรมดาแบบนี้นี่หน่อยหนเรื่องใหญ่ๆเป็นนี่หน่อยหน่อยไปมันเหมือนกับมันมันมันมันได้ฝึกเพราะนั้นบางคนเนี่ยเคยใชาย้ระบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะเข้าประตูนี่มาเปิดเองเลย ไฟฟ้าเสียเนี่ยอู้ยทำอะไรไม่ถูกเลยทุกเมากไปไปไหนมาไหนมีแต่นั่งรถยนต์พอได้เดินหน่อยมัเนเหนื่อยเนยเคยนั่งรถยนต์เอารถมันเสียไปมาอา้าต้องนั่งรถไปจําทางอู้หมันไม่สบายเลยมันเคยสบายมาแล้วมันจะทุกมากกว่าคนที่เขาเจอทุกเจอปัญหาแล้วได้ต่อสู้มาเนี่ย จิตมันก็แกล่งขึ้นมันไม่เวชนาเหมือนกันนะมันทำให้จิตแกล่งขึ้นเลยนะกำลังของจิตเนี่ยแม้มันมากกว่าเดิมเลยนะ่ความอดทนอย่างนี้สติอย่างนี้เนี่ยก ก, การฝึกจิตของตัวเองการสอนจิตของตัวเองการบังคับจิตของดีควบคุมจิตเนี่ยมันดีขึ้นมาหมายว่าใจเราเนี่ยมัน ต้องมีความอดทนมีใจเป็นนักสู้เรียนรู้เอาประโยชน์จากเวทนาก็ได้นนบางทียนาวางเวทนาแล้วก็มาอยู่กับจิตเนี่ยเวทนาก็ยังอยู่นะแต่ไม่มีผลต่อจิตจิตมันเด่นขึ้นมาโอมันก็ยิ่งมีความเบิกบานขึ้นในจิตสว่างสวยขึ้นในจิตเพราะมันมันมันละเวทนาได้นี่นะมันไม่ยึดเวทนาชั่วคราว แต่ถ้าหาว่ามันมันเด็ดขาดมันก็วางวางและจิตนี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะนวางได้เต็มทีเพราะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นท่านถึงให้ดูให้ดูบาทีว่าถ้าจิตมีํพลังกระเด็นที่จะไปดูไอ้สิ่งถูกดูก็มาดูตัวดูเสียเพราะในวิทนาเนี่ยที่แรกเก็ตามดูไปก่อน แต่พอมีกําลังปับมันก็มาดูจิตเสียตามดูจิตมันมีอะไรคือดข้ น, นจิตก็ตามดูต่อไปอีกดูไปดูมาแทนที่จะดูจิตมันมาดูตัวที่ไปดูจิตนี่จิตที่แช่อยู่ที่ว่าเป็นจิตกลับไม่ใช่จิตเป็นแค่เวทนาทางร่างกายดังนั้นนี่ม่ะที่ว่าติดนะมันติดมันอยู่ลึกๆแต่ว่าเราไม่ทันมันเฉยๆนะ บางทีเพ่งอยู่อารม่์เดียวเหมือนกับเพ่งจิตเนะี่ยจริงๆมันไม่เใช่จิตไปแล้วเป็นความว่างชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่จิตรอกแต่จิตเราไปติดว่าเป็นจิตเฉยๆจิตมันต้องเป็นผู้ดูสิผู้รู้สิถ้าเวลาไหนที่มันมันไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วก็าไปดูดำทำเสียมันเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นดูธรรมก็มุนอยู่ในสติปัฏฐานสี่นะี่ะอธิบายไปมันก็กายวิทยานะจิตธรรมอยู่นี่นะแหละเราคอยได้ดูตัวเองสักระยะหนึ่งนะให้ได้ดูว่ามีอะไรเป็นเราบ้างตรว ด, ดูสิมีอะไรเป็นเราบ้างกายเป็นเราไม่เวทนาเป็นเราไหมเมืแต่จิตเนี่ยมันก็เป็นเราไม่ได้ ที่พระเจ้าอยากให้เห็นก็คือเห็นมันรูปก็เป็นรูปประคันเนี่ว่าเป็นธาตุดินธาตุน้านําธาตุลมธาตุไฟไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสักแต่ว่ามันอยู่ของมันอย่างนั้นวิทยาภาษาว่าเวทนามันอยู่ของมันอย่างไรมันอยู่ที่ร่างกายไมย่จิตจิตเป็นผู้รู้เราก็อยู่กับจิตถ้าจะดูก็ดูดูวความเข้าใจ่าเออมันอยู่ที่ร่างกายความเข้าใจอันนี้ พอจิตมีกําลังแล้วมันก็ถอยไปหาจิตเองนี่กลยมีสมาธิทิสัญญาจำได้ไหมรู้เกิดดับสังขารสิ่งที่พุงแต่งจิตก็เกิดดับวิญญาณมัน ม, มีอะไรเกิดขึ้นวิญญาณไปรู้เวทนาเกิดขึ้นตัวที่ไปรู้เวทนาก็คือวิญญาณทำนาทีแล้วก็ส่งต่อไปอีกทีนี้ผู้รู้ธาตุรู้ยังมี คุณสมบัติของจิตที่มีกําลังถ้ารู้มันก็ยิ่งมีกําลังรู้ชัดขึ้นมันก็ชัดเห็นเวทนารูปเวทนาสัญญาสัญขญันวิญญาณล้วนแล้วแต่เป็นของเกิดดำไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ก็คือตัวปัญญาเป็นคุณสมบัติของจิตที่มีปัญญาแก่งชัดขึ้นถึงว่าเอาตัวจสอบซีนี่เลยเป็นเราเนี้เราจะหยุดแล้วเราจะเลิกแล้ว หรือเอายกกายยกใจบูชาเจ้าเสียไม่ใช่ของเราอีกต่อไปให้เป็นเครื่องสักการบูชาพระพุทธธรรมประสงค์ปฏบิบัติบูชาให้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราชั่วขณะก็ยังดี สังคุดทัาระสโชไโดยพระองค์